ขอน้อมแด่คุณพระรัตนกรัยขอเจริญพรผู้บริหารตลอดจนทิกนกัลยาณมิตรของขอครอบครัวมหาดเล็งกุลพนัก ง, งานบริษัทชาวคอสโมทุกท่านทุกคนธรรมบรรยายในวันนี้ธรรมภาพได้ตั้งเชื่อเอาไว้ว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเงินไม่สำคัญนะ เงินสำคัญมากทีเดียวนะเคยมีนักปราชญ์คนหนึ่งได้พูดวัดทองเอาไว้ฟังให้ดีนะสำคัญมากนะคนที่พูดนี้เป็นคนระดับโลกเลยนะแกพูดตอนที่แกแก่มากแล้วละ่ะแกเล่าว่าตอนที่ข้าพเจ้ายัางเล็กๆข้าพเจ้าเคยคิดว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมาได้ใช้ชีวิตมาจนกระทั่งร่วงเข้าสู่วัยชาราข้าพเจ้าจึงได้คลนพบความจริงว่าเงินสำคัญที่สุดนั้นมันเป็นความจริงเห็นไห <c oughs> ตอนแรกอาจจะมาตั้งใจฟังประโยคนี้มากเลยนะคิดว่ามันน่าจะขัดดยงกันนะ เพิ่งเคยได้ยินอับิร์อน์สไตพูดออกมปว่าตอนเล็กๆข้าพเจ้าคิดแต่จะรักแต่พอตอนโตแล้วข้าพเจ้าก็รักแต่แต่คิดมันน่าจะขัดแย้งแบบนี้ใช่ไหมเมือแต่ผู้ชายคนนี้กลับไปพูดว่าตอนเล็กๆข้าพเจ้าเคยคิดว่าเงินสําคัญที่สุดแต่พอโตขึ้นข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่ามันเป็นความจริงผู้จะมีได้ใจคนรักเงินทุกคนไปไหม แท้ทีจริงเงินนั้นก็สำคัญมากแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณมีเงินแต่คุณไม่มีสุขภาพคุณมีเงินแต่คุณไม่มีเกียรติคุณมีเงินแต่คุณไม่มีคนที่คุณรักคุณมีเงิน แต่คุณไม่มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเงินที่เรามีนี่อาจจะไม่ใช่ที่มาของความสุขก็เป็นได้ฉะนั้นเงินนั้นสาคัญมากแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเพราะอะไรเขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญมากในชีวิตของเรานะแต่ทีนี้มนุษย์เราในยุคทุนนิยมนี้บางทีก็ไปหลงคิดว่างเงินสาคัญที่สุดแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องเงิน โดยหารู้ไม่ว่าบางทีพอเรามีเงินแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นได้ทางสายกลางในเรื่องนี้ก็คือว่าทําอย่างไรเราจะมีเงินด้วยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยถ้ามีเงินแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตแต่ไม่มีเงินสุดตกทั้งคู่นะทางสายกลางสําหรับคนมีเงินก็คือ มีเงินด้วยมีคุณภาพชีวิตด้วยนั้นวันนี้ที่บอกว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินก็หมายความว่าสําหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าเงินเนะี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวชีวัดการประสบความสําเร็จในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อย่าไปคิดตื้นๆ น, นะว่าพอมีเงินเยอะที่สุดในโลกแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนที่มีเงินมากมายที่สุดในโลกนี้เนี่ยจํานวนมากยังปรากฏว่าเขามีความทุกข์อยู่ ดังนั้นเรามีเงินได้ในระดับนึงแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์ระหนักรู้ถึงฐานะอันแท้จริงของเงินว่างเงินเป็นเพียงปัจจัยพอเรามีเงินปุ๊บเราก็ใช้เงินเป็นปัจจัยนะไม่ใช้เงินเป็นพระเจ้าหรอกเวลาคุณยมมีเงินอยู่สักพอ น, นึงนะ เท่าฟ้นย่าเลยเนี่ยนะกองสูงจดเพดานเลยแล้วคุณยมมีพระพุทธรูปองเล็กๆนะวางไว้คุณยอมกราบเงินกับกราบพระพุทธรูปให้ความรู้สึกเหมือนกันไหมต่างกันนะความรู้สึกเชื่อ ม, มั่นอบอุ่นมั่นใจจากโลกนี้ไปถึงโลกหน้าเงินให้ไม่ได้หรอกแต่ข้ารัตนตรัยให้ได้ ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยคือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทาให้เราเนี่ยดํารงชีวิตสะดวกพอเรามีเงินทําให้ดํารงชีวิตสะดวกแล้วอย่าพอแค่นั้นเรามองหาคุณภาพชีวิตด้านอื่นด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินบางทีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเงินอาจจะไม่ต้องมีมากก็ได้เราก็มีความสุขตรงกันข้ามถ้าเรามีเงินมากๆแต่ไม่มีสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ความสุขอาจจะไม่มี เพราะโลกนี้มีคนที่รวยมากมายเป็นล้นพ้นประมาณแต่ก็เหล่านั้นบางทีกลับยิ่งมีเงินมากภาระก็มากตามไปอะไรล่ะคือสิ่งที่สูงกว่าเงินสิ่งที่สูงกว่าเงินก็คือหนึ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์สลับนิดหนึ่งนะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทำมันสูงไปนะปรับนิดหนึ่งการได้เกิดมาเป็นคนมนุษย์มันภาษาไทยสวมชดดาไปหน่อยนะเอาคนแล้วกัน การได้เกิดมาเป็นคนสองการได้ยนพระพุทธศาสนาได้ยนก็คือได้พบพระพุทธศาสนา 3. ามการมีกัลายาณมิตรสี่การมีความสุจริตเป็นนิสัย ห, ห้าการมีใจปราศจากปริษญาหกการมีเวลาให้กับบุคคลอันเป็นที่รักเจ็ การรู้จักตะโกนคำว่าพอเจ็ดสิ่งนี้สูงกว่าเงินมันสูงยังไงก็มาดูกันประการที่หนึ่งการได้เกิดมาเป็นคนทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการได้เกิดมาเป็นคนนั้นเป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินเพราะอะไรคุณยํารู้ไหมท่านบอกว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะสี่สิ่งนะหนึ่งยากเหลือแสนกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ สองอยากเหลือแสนกว่าจะดำรงชีวิตรอดสามยากเหลือแสนกว่าพระพุเทธเจ้าจะเสดจอุบัติและสี่ยากเหลือแสนกว่าจะได้ฟังสัจธรรมในบรรดาสิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลกนี้สี่สิ่งนะการเกิดเป็นคนเป็นสิ่งที่ยากอันดับที่หนึ่งทำไมตมาจึงบอกว่ามันยากเพราะว่ากว่าจะเกิดเป็นคนเนี่ย กว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราในวัยหนุ่มใบสาวจะจีบกันติดนะคนจะมายากไหมเนะ้เลงแล้วเลงอีกเลือกแล้วเลือกอีกนะบางทีคิดว่าใช่แนละ้วตอนปีหนึ่งปีสองปีสาจีบกันพอปีสี่เลิกกันก็อย่างนั้นไม่ใช่คนออที่หนึ่งไม่ใช่นะพอจบการศึกษาออกมาทำงาน มาเจอคนที่ใช่คบไปคบไปเข้า ไ, ไปก่อนโปรโมชั่นก็วิเศษที่สุดดีทุกมาตรฐานพอหลังโปรโมชั่นไม่ใช่เลิกอีกนะได้แต่งงานจริงๆคนที่สามใช่ไหมเพราะแต่งไปแล้วคนพูดว่าไม่ใช่นื่องจากก่อนแต่งไม่เป็นขี้เล่าไม่เป็นขี้ยาไม่เรื่องมากไม่ใช่ความรู้นังเขแต่งไปแล้วหลังโปรโมชั่นนี่สวัสดิการไม่ดี กลายเป็นว่าคนที่เรารักจริงๆเป็นคนที่มาทีหลังใช่ไหมเนี่ยกว่าที่ชายหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งจะรักกันได้มันใช้ความเพียรพยายามในการเลือกคันกลันกรองขนาดไหนคุณโยมที่มีชีวิตคู่เนี่ยรู้ดิคู่ไหนก็ตามที่คบกันตั้งแต่โรงเรียนปถมแล้วจบมหาวิทยาลัยได้แต่งงานเลยเนี่ยมันพิเศษมากนะมันหายากมากนะคุณโยมนะ ส่วนมากกว่าจะได้มาแต่งงานกันนี้ต้องเจออุปสรรคแทบล้มระด่าต่างใช่ไหมในสมัยก่อนก็มีอุปสรรค แ, แล้วในสมัยนี้อุปสรรคเยอะไหมยเยอะมากเพราะในสมัยก่อนที่สังคมไทยยังไม่สามารถผลิตคำว่ากิ๊กออกมาใช้เนี่ยนะอุปสรรคมันยังไม่เยอะหรือนี้สังคมไทยผลิตคำว่ากิ๊กออกมาใช้ติดอยู่หนึ่งปีปีต่อมามีคำว่ากักตามมาอีกแล้วตอนนี้อาตมาก็บรรจณ์ใหม่มีคำหนึ่งคือคำว่าควิกนั่นเองนะ ควิกก็คือเวลาที่ผู้ชายไปเจ้ผู้หญิงคนที่หนึ่งเป็นโชว์อย่างเป็นทางการเละควิ ก, ลกแล้วก็ไปเหล่คนที่สองเอาไว้เป็นเล็งเอาไว้ก็เป็นกักขณะเดียวกันไปทํางานข้างนอกไปเจอคนที่สวยกว่าสองคนนั้นก็เป็นควิกนะควิกนี้ก็มาจากคาว่าควักคือเขาต้องการเราต้องควักให้ตลอดเนี้ยนะวักควักให้ใครควักให้คิ๊ก ถ้ากิ๊กบิบน้ำตาปุ๊บผู้ชายก็ใจอ่อนมีเท่าไหร่ก็โยกให้ทั้งหมดก็โง่เหมือนควายนอะเพราะฉะ น, นั้นคําว่าควิกเนี่ยพอรากออกมาแล้วนี่ถอดสปายรูทออกมาแล้วนี่เป็นอะไรเป็นกิ๊กบวกควักแล้วก็บวกควายจึงกลายเป็นควิกเห็นไหมใครที่ชอบส่งเสียนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าควิกทั้งนั้นเลย กว่าจะได้เจอผู้หญิงที่ใช่ผู้ชายที่จริงนะผู้หญิงที่ใช่ผู้ชายที่จริ ง, นะ ง, รงและแต่งงานกันยากไหม ย, ยากยากและไม่พอนะแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าบางคู่มีลูกบางคู่ลูกไม่มีทุกไหมคูเนื้อนะไม่มีลูกเนี่ยนะเมื่อเมษาเดือนปีที่แล้ว มีคุณโยมคนหนึ่งไปหาตรรมภาพกที่ศูนย์วิปัสนาที่จังหวัดเชียงรายมากับเพื่อนเป็นคณะแต่งตัวดีมากเลยแต่คุยไปสักพักหนึ่งน้ำตาไหลสมมาถามอาโยมมีทุกข์อะไรหรือกว่าจะเล่าได้ต้องเช็ดน้ำตาละอาตมาบอกว่าสงสัยบ่อน้ำตาอยู่ตื้นเนาะ ไหลรักรักๆักตามาก็เลยบอกว่าโยมถ้าไหลเสร็จเมื่อไหร่ทอมาบอกเลยนะ <c oughs> ตอนน้ำตาเหือดแห้งแล้วตามาก็ถามโยมมีปัญหาอะไรพระอาจารย์เจ้าคะหนูคิดอยู่นานมากว่าจะมาหาพระอาจารย์ดีไหมเพราะจะว่าไปก็ไม่รู้ว่าควรหรือเปล่าเล่าก่อนสี่ตามาจะได้รู้ว่ามันควรหรือไม่ควรคืออย่างนี้ค่ะหนูแต่งงานแล้วได้ปีกว่าแล้วค่ะแล้วสามีก็อยากมีลูกมาก แต่หนูก็มีให้เขาไม่ได้ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าสิน้นปีนี้ถ้ามีไม่ได้เขาจะไม่เกรงใจแล้วนะเขาหากิ๊กสัมรองไว้แล้วพระอาจารย์จะให้หนูทำยังไงพระอาจารย์คือที่พึ่งสุดท้ายพระอาจารย์จะต้องรับผิดชอบชีวิตหนูอ้าวไอ้ตอนแต่งกันไม่คุยอย่างนี้นะตอนจีบกันตอนแต่งกันไม่เห็นมาบอกพระอาจารย์นะตอนไม่มีลูกก็มาบอกเลยนะ ให้อัตมาช่วยอัตมา ก, ก็เลยพูดทีเล่นทีจริงนะโยมเห็นพระที่อยู่ข้างหลังอัตมาไหมที่อาศรมที่คุณโยมแมคุณโยมช้างไปไปสร้างกุฏิไว้นะคุณโยมก็เห็นไหมจะมีพระนะคุณโยมเพส จ, จะมีพระอยู่ในนั้นที่โยมก็ปพันธถวายสีขาวอัตมาภาพตั้งชื่อว่าพระเจ้าขาวนอกทองในนะอัตมา ก, ก็เลยบอกว่าโยมโ ย, ยมเห็นพระพุทธรูปไหมเนี่ยโยมอยากมีลูกใช่ไหม โยมทําความสะอาดพระพุทธรูปนะแล้วกลับไปรักษาสิ่งแตกอาจมาก็พูดแค่นี้ไม่ได้ให้หลักประกันอะไรอะไรไว้ได้กลัวมันจะกลับมาพันคอคือเสนอแต่สินค้าแต่ไม่รับประกันอะไรเลยโ ย, ยมก็ไปเอาผ้าสะอาดมานะทําความสะอาดพระพุทธรูปกลับไปรักษาสิ่งแตกทุกวันพลาคุณโยมเชื่อไหมมันเกิดอะไรขึ้นมา อีกสามเดือนต่อมามาหาตัมมานะทีนี้พาคุณหมอที่เป็นสามีมาด้วยพระอาจารเนี่ยพิธีหารมีจริงเป็นยังไงโยมทองแล้วค่ะแต่มาก็หน่ำผู้หญิงผู้ชายต้องอีกสักพักถึงจะรู้ดีอกดีใจนะขนเข้าปลาอาหารมาถวายเพลอตัตมาหายไปกลับมาอีกทีหนึ่งเดือนที่แปดพระอาจารย์ เนี่ย yeah. รู้ว่าพระอาจารย์แม่นอย่างนี้นะจะขอผู้ชายตมาแล้วบอกโยมอาตมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆตกลงได้ลูกหญิงใช่ไหมเจ้าข่าเขาได้ลูกสาวคุณยมพอได้ลูกสาวเท่านั้นละ่ะกลับไปเนื่องจากเป็นหมอใช่ไหมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังทีนี้ใครจะแต่งงานแต่งกันแห่ก็มาหาตมา เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ลูกคนเห็นไหมซึ่งแตะมาจนทุกวันนี้ตมาก็ไม่คิดว่านี่เป็นปาริหารแต่คิดว่าเป็นผลของการเชื่อมั่นในคุณงามความดีก็ทำให้คนดีๆมาปฏิสนธิในคันเรื่องนี้สำคัญนะคุณจํานะ<ม>เวลาที่<ม>คนสำคัญสำคัญจะมาเกิดในวันอังคาีพุทธศาสนาจะเล่าว่าพ่อแม่มักจะรักษาสินห้ารักษาสินแปด แล้วพระโพธิษัต์ก็จะมาปฏิสนธิฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าพอเาสมาธานสินแปดกลับไปเนี่ยตั้งตนเป็นคนดีจิตวิญญาณที่ดีก็มาปฏิสนธิในขันของเขาได้คือเวลาที่สิ่งมีชีวิตจะมาเกิดนะจะเพิ่มของพ่อไปผสมกับไข่ของแม่เสร็จแล้วไปฝังตัวอยู่ที่ผนังบนโลกกระบวนการนั้นนะยังไม่เรียกว่าคนนะ ก็เรียกว่าเป็นเชื้อชีวิตปะธรรมกาลังแปลว่าเซลล์แรกเกิดนะเซลล์แรกเกิดมันเกิดขึ้นภาษาชีววิทยาก็เรียกว่าไซโกตนะเซลล์แรกเกิดซึ่งเกิดจากไข่ของพ่อผสมกับสเปิร์มของแม่เนี่ยมันก็เป็นเชื้อชนิดหนึ่งเป็นตัวอ่อนชนิดหนึ่งแต่ทางพระพุทธศาสนาบอกว่าจะเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาแทรกอยู่ใน เซลชีวิตนั้นด้วยถ้าปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเกิดจากการที่มีใครคนไหนนหนึ่งรับดับขันไปแล้วถูกแรงดึงดูดของผู้เป็นแม่นะผู้เป็นพ่อซึ่งถ้าผู้เป็นแม่เป็นคนมีศีลมีสัจปฏิสนธิวิญญาณที่ดีจะมาถ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนเลวคนชั่วช้าต่ตทรามอัปยศอดสูไม่มีศีลไม่มีธรรมสัตว์นรกเขาก็มาฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นี่พอปฏิสนธิวิญญาณที่ดีมาปั๊บลูกก็เจ็บ ไม่ใช่ผลงานของอตาตมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นเป็นเรื่องของเขาเองทีนี้พอมีปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณมาปฏิสนธิในครั้งของของแม่แล้วนะคุณยมนะกว่าจะเกิดเป็นคนก็แสนยญญากอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขามีคู่แข่งมากนะคือกว่าจะมาเกิดเนี่ยคุณยมคุณยมอย่าไปคิดว่าคุณยมมากันง่ายๆนะ ในจักราวาลอันกว้างไกลไพศาลนี้เนี่ยมีปฏิสนธิเวียน ญ, ญาณมีเซลล์มีเชื้อที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตนับจํานวนไม่ถ้วนน ะ, ะเฉพาะแมลง ก, ก็มีเป็นล้านล้านชนิ ด, น, น, ดนะคุณโยมนะทีนี้เชื้อชีวิตที่เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยคุณโยมคิดว่าจะมาจากไหนถ้าไม่บําเพ็ญปัญญาไม่บําเพ็ญสิ่สมาธิมานะเราไม่ได้มาเกิดเป็นคนหรอกเพราะอะไรเพราะว่าทางที่เราจะไปเกิดบันไดตั้งหลายทางนะ จิตวิญญาณบางบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์จิตวิญญาณบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นเปรตจิตวิญญาณบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกจิตวิญญาณบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นโอกาสที่เราจะมาเกิดเป็นคนอย่างนี้ยมันยากแต่ยากนะคุณผูมนะยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าอุปมาให้เห็นภาพนะว่าในมหาสมุทรอันกว้างไกลไพศาลแห่งหนึ่งลึกลงไปมีเต่าตามบอดอยู่ตัวหนึ่ง เป็นเต่านี่อาภัพไหมอาภัพมากนะนี่ยังตาบอดด้วยนะเต่าี้คุณย่อมเคยเห็นเต่าทาผิดกฎหมายไหมเคยเห็นเต่าค้ายาเสพติดไหมเคยเห็นเต่าคอร์รัปชั่นไหมเต่าไม่เคยทําอะไรผิดแต่เวลาคนจะด่ากันก็จะชี้หน้าด่าว่าไอ้เต่าล้านปีซวยตลอดเลยเต่าเนี่ยเป็นเต่าเนี่ยอาภัพแล้วนะแต่เต่าตัวนี้เป็นเต่าตาบอด อยู่ในก้นทะเลหรือร้อยปีเ ต, าต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําของมหาสมุทรครั้งหนึ่งเหนือผิวน้ําแห่งมหาสมุทรแห่งนั้นจะมีห่วงยางอยู่ห่วหนึ่งลอยฟ้องไปคนยอมคิดถึงมหาสมุทรแปซิฟิกวักกว้างขนาดไหนนะเหนือผิวน้ํานั้นมีห่วงยางอยู่ห่วหนึ่งลอยฟ้องไปร้อยปีเ ต, าต่าตาบอดตัวนี้โผล่ขึ้นมาโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้นะจะเอาหัวมันสวมกับห่วงยางยากไหม ยากมากพระพุทธเจ้าตรัสว่ากว่าที่เราจะมาเกิดเป็นคนยากกว่านั้นนับแสนนับล้านเท่าแต่แล้วทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนกันหรือยังเป็นแล้วเนี่ยดูสิหน้าตาหล่อเหลาด้วยดูสิเห็นไหมมีอวัยวะครบหน้าตาดีมีสกุลดุลชาติมีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น คิดดูสิว่าเราโชคดีขนาดไหนฉะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองโชคร้ายโชคร้ายโชคร้ายไม่มีอะไรดีเลยนะต่อไปนี้คิดใหม่การได้เกิดเป็นคนนะั้โชคดีมหาศาลเพราะอะไรเพราะว่ามันดีขนาดไหนที่คนยอมมาเกิดเป็นคนไม่จะพัดจะบผูไปเกิดเป็นมแมลงสาบแมลงสาบนะั้นอยู่ในลิฟต์พอคนโผล่เข้าไปมแมลงสาบไม่ได้ทําอะไรเลยคนร้องรีเต็มลิฟต์เลย เขาไม่ได <insecurity S 2> <us> ้ทําอะไรเลยนะใช่ไหมโชคดีขนาดไหนที่ไม่ไปเกิดเป็นจิ้งจกจิ้งจกเลยหากินบนพื้นราบก็ไม่ได้ต้องไปหากินอยู่ข้างบนนะแล้ววันนี้คืนนี้ถ้าคนเห็นเอาหนังสติ๊กไปยิงอีกนะดูสิโชคดีขนาดไหนที่ไม่ไปเกิดเป็นหนูอยู่ในท่อสุกปัณหากินลําบากไหมโดยเฉพาะหนูในกรุงเทพมหานครสานพิษเยอะเหลือเกินนะ ในโชคดีขนาดไหนที่คุณยังไม่ไปเกิดเป็นตะกรวดอยู่แถวตำเนียรัตธรรมบางเห็นไหมแถวนั้นเยอะมากนะวันนี้คืนนี้ก็ขึ้นมานอนพึงแดดเดินเข้าไปในตำเนียสง่าผ่าเผยคิดดูสิแล้วโชคดีขนาดไหนที่คนยังไม่ไปเกิดเป็นเป็นนกเป็นกาโชคดีขนาดไหนที่ไม่ไปเกิดเป็นลิงเป็นข้างเป็นหมูเหลือมเป็นแมลงเป็นแมลงป่อง เป็นตะขาบเป็นแมง ม, มุมเป็นยุงลายนั่นคือเรามีติิดไปเกิดในสภาพชีวิตแบบนั้นทั้งหมดนะแต่แล้วไม่มีใครไปแบบนั้นเลยมีใครเคยไปเกิดในสราพชีวิตแบบนั้นมาแล้วบ้างอ่านทดสอบนะทดสอบว่าในสังสารวัตคุณเคยไปเกิดเป็นอะไรมาแล้วบ้างมีสูตรอยู่นะท่านบอกว่าเวลาที่เรานั่งฟังธรรมนะ ใครก็ตามที่นั่งน้ำขึ้นนั่งโมบุกเปนง่วงส่วนตักเลยก <c oughs> ็อบอกว่าพวกนี้หลายภพหลายชาติพวกนี้นะเป็นงูงูที่อยู่ในรูจำตินอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นพวกงูเป็นพวกปัญนาคที่อยู่ในรูอยู่ในถ้าเพราะฉะนั้นเวลาพระมาแท่นนะแค่นะ่โมตัดสะพระขวโตเขาก็ไปประเทศอิสราเอลเลย เดี๋ยวก็เลยบานอนได้จบที่อารักคือหลับไปเลยพวกนี้ท่านบอกว่าในหลายพบหลายชาติก็เกิดเป็น ง, งูแล้วก็บางคนเวลาถ้าแสดงธรรมก็ชอบขีดชอบเขียนชอ บ, ชอบมืออยู่ไม่สุกนะจุจจุกจิกนะบางทีเอามือไปจีบับนเอวพึน่นนะดึงโทรศัพท์ออกมาเช็ดทำโ น, โน่นทำนี่คือไม่เคยอยู่นิ่งเลย นี่พระพุทเจ้าก็บอกว่าพวกเนี้ยลิงชัดๆเลยนะลิ่งชัดๆนะหรือบางคนเป็นอะไรนั่งฟังพระเทศก็เคยเดินเข้าห้องนี้ออกมาเข้าออกเขาไม่รู้กี่ครั้งกี่วันแต่พอพระเรื่องเทศมันมองเพดามองพัดลมมองท้ายมองขวามองโน่นมองนี่มองเสร็จแล้วมันกลัมาคิดของมันพวกนี้ก็บอกว่าเคยเป็นพวกหมอดูทั้งหลาย ชอบจับยามสามตาทีนี้ก็มีบางพวกที่เวลาพระแสดงธรรมแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นตั้งจิตตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบพวกนี้เป็นพวกผู้ดีเก่าเนี่ยนั่งด้านหน้าเนี่ผู้ดีเก่าหมดเลยแล้วเนะะ่ด้านหลังก็ผู้ดีเก่ากว่าอีก เคือได้เป็นนักป่าวราชบัณฑิตมาหลายยุคหลายสมัยเวลาได้ยินพระแสดงธรรมจึงตั้งใจฟังฉะนั้นในอดีตชาติหลายล้านชาติพบเราเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่กันมาแล้วนับชาติภพไม่ท้วนแล้วคุณยมก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นสิงสาร า, าัตศเป็นผู้ปีบริษัทอะไรต้องเยอะตังะ้งแยะแต่คุณยมไม่ไปในชาตินี้คุณยมมาถือกําเนดเป็นคนนี่เสร็จไหม นิสัยขนาดไหนคุณลอคิดดูนะว่าหลังกลับไปบ้านนะไปเจอสุนัขลองคิดดูนะเอ๊นี่เราฉันกับแกสลับกันให้แกมาเกิดเป็นคนแล้วฉันไปเกิดเป็นสุนัขฉันจะหากินได้ไหเนี่ลองคิดดูนะเดี๋ยวคุณยอมเป็น้าห้องน้ํานะเจอมแมลงสาบในห้องน้ําคุยกับแมลงสาบนะเอ๊เราฉันเป็นมแมลงสาบฉันจะหากินยังไงนี่คิดดูนะมันยากเหลือเกินนะ แต่แล้วทุกคนโชคดีเหลือเกินที่ไม่จับทัดจะถครูไปเกิดเป็นสิงสารศาสตร์พูดฝีปริศาเปรตอสุรกายสันนรกตัญญูฉานบันนี้เรามาถึงกําเนิดเป็นคนไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นคนที่มีโอกาสฟังธรรมเสียนด้วยโชคดีไหมโชคดีนะโชคดีมากๆเพราะในโลกนี้มีคนหกพันกว่าล้านคนคุณยอมคิดว่ามีคนที่มีโอกาสฟังธรรมกี่คนคนบางคนในชีวิตไม่เคยฟังธรรม หูมนี่ฟังแต่เสียงด่าด่าด่าด่าด่ า, ดาสุขภาพจิตเสื่อมโทรมเนะีบางคนเนี่ยอยู่ในผับตลอดเว ล, ลาหูฟังแต่เสียงเออกระทึกเครึกโกลมไม่ได้ฟังคำบางคนไปเกิดในประเทศที่มีสงครามได้ยินแต่เสียงเรื่องวุ่มตูม่นทุกข์ไหมหู้หบางคนหูเนี่ยฟังแต่ เสียงแห่งความทุกข์ตมกล่มไม่ร้องไห้โหยหวนขบขืนก็ไปเกิดในประเทศที่แสนยากจนแล้วเรานี่มาเกิดในประเทศไทยที่แสนดีนะหูเราได้ฟังทธรรมโชคดีขนันไหนคิดดูสิเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนนี้มีโชคอยู่ในตัวแล้วยังไม่พอนะโชคมากกว่านั้นก็คือคนอย่างเราเราเนี่ยพัฒนาได้คุณยอมตั้งตึกขึ้นมาหนึ่งหลัง นะคุณยมช้างบินไปทำธุรกิจที่เมือง น, นอกสิบปีกลับมาตึกหนึ่งหลังของคุณยมมีพัฒนาการไหมกลายเป็นตึกที่มีการศึกษาปริญญาเอกขึ้นมาไหมกลายเป็นพระอาหารหันต์ไหมตึกหลังนั้นงอกขึ้นมาเป็นร้อยชั้นไหมไม่งอกแต่ถ้าคุณยมมีลูกชายอยู่คนหนึ่งส่งไปเรียนต่อที่อเมริกาสิบปีตอนไปนะ้นเขาเป็นลูกชายคุณยม กลับมาก็อาจจะกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่ก็ได้แล้วเขาอาจจะเล่นการเมืองกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศก็ได้คนมีพันาการฉะนั้นเกิดเป็นคนเนี่ยโชคมหาโชคเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างทางร่างกายของเราก็ประเสริฐกว่าสัตว์ทุกชนิดนะคุณยมไปเยืนเทียบกับสัตว์ทุกชนิดได้เลยมีสัตว์ชนิดไหนที่มีโครงสร้างกานประเสริฐเท่ากับคนบ้างในงของโครงสร้างทางสมอง สัตว์ทุกชนิดสู้สมองคนไม่ได้ช้างตัวใหญ่หีมากเลยแต่ว่าคนขึ้นไปขี่ช้างเสือดุมากเลยแต่ว่าคนไปจับเสือมาออกงานวัดเห็นะหมขิงของตัวใหญ่เมื่อกเลยคนไปจับกิงของมาแสดงหนังอลิบัวดูสิว่าปติปัญญาคนนั้น ไิเศษขนาดไหนไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคนทุกคนเกิดมาเป็นปูนชนใช่ไหมปูนชนแปลว่าคนกิเลสนะแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะศึกษาไปศึกษาไปกลายเป็นพระอระหันต์ก็ได้พิเศษไหมนี่น่ะคือความพิเศษของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะอะไรเรามีโอกาสได้ฝึกหัดพัฒนามากกว่าสิ่งมีชีวิตฮุกเผ่าพันธุ์ถ้าคุณยมไม่เกิดเป็นจัตสมมุติเกิดมาเป็นไก่ คุณยังคิดว่าไก่ที่วัฒนาการสูงสุดได้แค่ไหนอาีามาคิดว่าสูงสุดก็เป็นไก่ KFC เท่านั้นเองใช่ไหมเกิดมาเป็นควยทีวิวัฒนาการสูงสุดก็อย่นันดีก็ได้เล่นหนังบังได้จังตะกุ่มหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นสึงษารสัตว์ในนิววัฒนาการยากมากแต่เกิดมาเป็นคนคุณยงจากวิวัฒนาการไปทางไหนก็ได้ทางนั้นอ่ะเกิดมาเป็นคนไทย อาจเป็นเติบโตในเบื้องฝรั่งเกิดมาเป็นชาวไทยอาจจะพูดจะเป็นภาษาเกล็ดคล่องปลอสำียงเพราคพรึ่งก็ได้เกิดมาเป็นลูกในกอในขอแต่อาจจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่คนรู้จักทางโลกก็ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นศูนย์รวมของปัจยภาพพิเศษบรรดามีทั้งหมดใครเกิดเป็นมนุษย์คนนั้นโชคดีที่สุดแล้วสูงกว่าเงินได้ยัง เพออะไรคุณยอะก็ไหมเงินหนที่วัดแน่เนี่ยใครเป็นคนใช้มันรุนใช้เอาเงินไปให้ควายล้านหนึ่งคืนนี้นะไปให้ล้านหนึ่งนะพรุ่งนี้เชา้ากลับลงไปดูควายาไปทําธุรกิจเป็นไหมไม่เป็นนะเอาเงินสักล้านหนึ่งไปผูกเดดกับคอสุนัขตัวโผลของเรามันดีใจไหมมันจะกัดทิ้งเลยนะ ก็จะนึนเงินที่ว่าแน่เนี่ยมาเจอมนุษย์เนี่ยมนุษย์แน่กว่าเงินนะการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งประเสริฐสุดยิ่งกว่าเงนประการที่หนประการที่สองกา ร, นน ร, าาา ร, ราได้นนะยิงงนพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยใครถือศาสนาอะไรก็ถือว่าประเสริฐทั้งนั้นแหละแต่ประเสริฐอย่างไรในส่วนของศาสนาอื่นอตะมาไม่มีความรู้ก็จะขอเจาะเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ คือพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณโยมมารู้จักแล้วนะคุณโยมจะศรัทธาก็ได้ไม่ศรัทธาก็ได้คุณโยมฟังพระเทพแล้วรู้สึกว่าพระเทพไม่เข้าทา่าคุณโยมจะยกมือถามก็ได้นะหลวงพ่อที่เทพมาวันนี้ไม่เข้าท่าหรอกที่ผมรู้มาดีกว่าหลวงพ่ออีกเยอะเลยทําได้ไหมทําได้สงสัยในธรรมะได้ตั้งคําถามกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ถ้าคุณไม่เชื่อมัน่นคุณเดินถอยหลังไปไม่ต้องนับถือก็อได้นี่คือพระพุทธศาสนาที่เสรีภาพทางปัญญาสูงมากเห็นความประเสริฐของพระพุทธศาสนาไหมและพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเราทุกคนเป็นสัตว์ที่ฝึกได้อ่ะคุณเกิดมาเป็นปุถุชนถ้าคุณมาศึกษาพระพุทธศาสนาคุณกลายเป็นอารยาชนให้คนกราบก็ได้นะคุณผูมนะนี่คือความประเสริฐของพระพุทธศาสนาก็คือศาสนานี้จะทําให้เราทุกคนหันกลับมาฝึกตนให้เป็นคนที่ประเสริฐได้ และทุกคนเวลานับถือพุทธศาสนาแล้วตั้งคำถามได้สงสัยได้ไม่ศราก็ได้ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาไปพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วคุณยำอยากจะเผยแผ่คุณยำกระลุกขึ้นมาทำแข่งกับพระก็ได้อีกนะไม่สงอยลิขิตเลยนี่คือเสรีภาพทางศาสนาที่พุทธศาสนามีอย่างเต็มเปี่ยมจะหาศาสนาไหนประเสริฐอย่างนี้ยากมาก พุทธศาสนาไม่เคยมีสงครามในนามพุทธเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราเป็นศาสนาแห่งสันติภาพใครนับถือกับพุทธศาสนาก็จะสามารถเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาอื่นได้โดยอัตโนมัติถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ดีเราก็จะมีเมตตาซึ่งก็จะไปตรงกับคลีตศาสนาที่สอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับพี่เธอรักตัวเองขณะเดียวกันถ้าเรามีสติเราก็จะมีความสันติคือเป็นผู้ที่ฝ่ายในสันติภาพ ก็จะไปตรงกับคำว่าอิสลามซึ่งแปลว่าผู้รักในสันติภาพเป็นชาพุทธที่ดีอย่างเดียวนะเป็นศาสนกที่ดีได้ทุกศาสนาเลยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดว่าเรานับถึงแล้วเราสบายใจสบายใจยังไงคือไม่บิดขั้นเราไม่เข้าไปจุนจ้านในชีวิตเราแต่เราจะนับถือหรือไม่นับถือเป็นเรื่องของเราล้วนๆเห็นไหมนี่คือศาสนาแห่งเสรีภาพ ขนาด อ, อ, อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาแต่ถ้าจะให้เลือกข้าพเจ้าจะเลือกนับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาให้เสรีภาพทางปัญญาอันสูงยิ่งนั่นเองประการต่อมาที่สามนะสิ่งที่สูงกว่าเงินก็คือ ก, ก, การมีกัลยาณมิตรมิตรมีสามมิตรหนึ่งปาเปมิตรเพื่อนชัว่วสองกัลยาณมิตรเพื่อนดีสามก็คือพันธมิตรเพื่อนคบกันเพราะผลประโยชน์ เพื่อนชั่วเป็นยังไงเพื่อนชั่วนี่นะเวลาเราจะทําดีก็เอออด้วยจะทําชั่วก็เออออด้วยจะขี้เกียจก็เออออด้วยจะติดการพนันก็เออออด้วยนะจะติดเหล้าก็เออออด้วยจะติดสาวก็เอออด้วยนะคือไม่ว่าทําดีทําชั่วเนี่ยเพื่อนชั่วปาร์ปมิตรเนี่ยเอาด้วยทุกอย่างเลยเพื่อนดีเป็นยังไงเพื่อนดีก็คือเวลาเราประมาทช่วยเตือนเวลาเราทําผิดพลาดช่วยดึงออกมา เวลาเราโง่ครบแล้วก็ทําให้เราฉลาดขึ้นพูดง่ายๆว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทําชีวิตของเราให้ต่ําลงนะอันนั้นเป็เพื่อนชัว่วใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทําชีวิตของเราให้ดีขึ้นอันนั้นเ่ะเพื่อนดีส่วนพันธมิตรก็หมายความว่าใครก็ตามที่คบกับเราเพราะผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็ดีต่อกันถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็แทงข้งหลังกันอันนี้เป็นพันธมิตรฉะนั้นในชีวิตนี้ถ้าคุณยอมมีกัลายาณมิตรหนึ่งคนนะ ชีวิตของโยมจะประเสริฐมากพระอานนท์เนี่ยเคยไปปราบทูลถวายรายงานกับพระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของระบบการคลองชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของระบบการครองชีวิตที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะถ้าใครมีกัลยาณมิตรคนนั้นจะมีชีวิตที่ดีขอยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดที่สวีเดน ผู้ชายคนนี้เกิดมาในครอบครัวที่พ่อมีอาชีพขายอาวุธสงครามเขาชื่ออัลเบรดโนเบลอัลเบรดโนเบลเกิดมาในครอบครัวที่พ่อค้าขายอาวุธสงครามพ่อเขาทําระเบิดที่ทําจากไดโตรกลิซอรินระเบิดอย่างนี้เนี่ยกองทัพซื้อผู้ก่อกันร้ายซื้อมีเงินมีทองจากการขายระเบิดเป็นนันมากต่อมาพ่อเขาเสียชีวิตอัลเบรดโนเบลซึ่งเป็นลกูกรับสืบทอดกิจการต่อ คิดระเบิดชนิดใหม่ที่ไปไกลกว่าพ่อรี่วัดระเบิดเดนามัยระเบิดเดนามายนั้นแรงระเบิดมหาศาลในสงครามแต่ละครั้งผู้ชายคนนี้ขายระเบิดได้เงินมากมายมหาศาลเลยเขาไม่เคยรู้สึกผิดนะกับการที่เป็นพ่อค้าขายระเบิดนะคนุณโยมนะต่อมาเขามีกัลยาณมิตรคือเขารับสมัครเลขาคนใหม่มีผู้หญิงก็หนึ่งเป็นเลขาสาวมาทํางานกับผู้ชายคนนี้ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะคุยกับเจ้านายตลอดเวลานะเขารับสมัครให้มาเป็นเลาขาแต่เธอทําหน้าที่มากกว่านั้นคือทําหน้าที่อะไรกันลัยนันมิตรคอยกระตุ้นเอาฟเฟนเอาเบลว่าเจ้านายขาเจ้านายรเมีเงินเมทองจากการค้าขายอาวุธสงครามทั้งเยอะทั้งแยะทําไมเจ้านายไม่ทําอะไรที่จะทําให้โลกดีมีปันติสุขบ้างกระตุนต้นตลอดกระตุ้นตลอดกระตุ้นตลอดเจ้านายไม่ฟังจนวันหนึ่งเธอลาออกจากเลขา กลับไปอยู่บ้านเกิดลงมือเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึงน่งหนังสือเล่มนั้นว่าด้วยอันตรายของสงครามแล้วส่งมาให้เจ้านายอ่านนะเอาเปลนโนเบลอ่านทุกวันอ่านทุกวันอ่านทุกวั น, น, วนจนเกิดความสั่งในทีน่สุดก่อนจะเสียชีวิตเขารู้สึกผิดมากๆว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าเอาแต่ค้าขายอาวุธสงครามทาลายชีวิตเพื่อมนุษย์ จึงได้เขียนิธีในการอุทิ์เงินเกือบทั้งหมดตั้งเป็นกองทุนเอาแปรียบโนแบลกองทุนนี้เป็นจำนวนเงินมหาศาลนะตั้งขึ้นมาเพื่อมอบราังวัลให้แก่มนุษย์ที่ทำประโยชน์แก่โลกนี้ทั้งโลกคนยอมรู้ไหมพอเขาเสียชีวิตรางวัล น, นี้ได้รับการประกาศและมอบให้แก่นักวิทยศาศาสตร์นักเขียนนักมนุษยธรรมนักประดิษฐ์ทั่วโลก เวลานี้กลายเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงที่สุดในโลกที่เรารู้จักกันในฐานะรางวัลโนเบลรางวัลโนเบลคือรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดในโลกใครได้รับรางวัลนี้คนคนนั้นจะกลายเป็นคนของโลกทันทีถ้าคนคนนี้ซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลตายลงรายงานข่าวไปทั่วโลกเห็นไหมปีนี้บารักโอบามาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านั้นองค์ารสุจีได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แม่จีเทเรซาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเอาเบิร์ตไอสตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ทุกคนที่เอ่ยชื่อมาเป็นคนของโลกหมดเลยใช่ไหมคุณยอมรู้ไหมแทบไม่มีใครรู้ว่ารางวัลโนเบลตั้งขึ้นมาจากพ่อค้าขายอาวุธสงครามใครจะเชื่อว่าโจรจะกลับใจได้พ่อค้าอาวุธสงครามจะพลิกมาเป็นผู้สร้างสันติภาพโลกได้เขาทํำได้ยังไงเขาทําได้ก็เพราะเขามีกัลยาณมิตร มีเพื่อนที่ดีงามลำเลินคอยชีท้ทิศนําทางทีนี้คนที่มีคามประมิทนอันตรายไหมคนที่คบเพื่อนชั่วก็อันตรายมากนะเช่นถ้ามหาการะตั้งองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าชัตนสตรตอนเป็นเด็กไปคบคนเหยื่อคือคบกับพระเทวทัตคุณยมเคยได้ยินชื่อเทวทัตไหมนั่นเป็นคนดังมากนะในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตนี่เป็นเซเล็บเลยนะเป็นไฮโซสมัยพุทธกาลเลยแหละมีชื่อเสียงมาก ทีนี้พระเจ้วันทัก์ก็ไปคบกับอาชาตัตรูกุมารซึ่งเป็นยุวกษัตริย์คือเป็นว่าธิ่กรัตรของแคว้นมนครพอคบกันแล้วนี่พระเจ้วรนทัก์ก็เป็นยุไปยุลูกชายนะให้ทําปฏิวัติพ่อพระเจวันทัก์ก็ยุว่านี่ราชกุมารเสด็จพ่อของพระองค์เนี่ยมีแนวโน้มจะกระชนมายุยืนนะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่พระองค์จะได้ครองราชคิดให้ดีนะ ลูกชายได้ฟังคำยุแยงของพระเทวาแผินอย่างนี้คิดหนักเลยนะในที่สุดไม่รอให้พ่อมอบราชบัลลังก์ตัดสินใจลอบปลงพระชนเสร็จพ่อวันหนึ่งนเนบเกลที่ชายพกเดินเข้าไปในพระตำหนักถูกราชวงรักจับได้เสด็จพ่อนำตัวมาสอบสวนถามว่าลูกทำแบบนี้ทำไมลูกชายบอกตามประสาซื่อเพราะถูงพระเจ้าแนยุยงนะบอกว่ามั่ฉันยากจะได้ราชสมบัติ ทีนี้ผู้เป็นพ่อเป็นท้าสดาบันบุคคลแล้วก็เลยใจดีเลยบอกว่าโลกถ้าโลกอยากได้นะพ่อก็ยินดีสละบัลลังก์กุมารหนุ่มก็เลยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งแต่ยังทรงกระยอมทีนี้เขาขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยปลาประมิตรคือเพื่อนชั่วนะท้าเทบรทักศก็ติดต่อนะนี่ถ้าองค์รู้ไหมตอนนี้พระองค์เสด็จพ่อไปขังเอาไว้ตีงูตีแค่หลังหักแล้ววันหนึงมันแหวงกัะด ตัดเอาได้มาไปหลังนะลูกก็เลยคิดจะฆ่าพ่อก็เลยสั่งตัดแข้าวตั ด, ตดน้ําห้ามคนไปเยี่ยมตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ํายกเว้นคนคนเดียวคือใครคนยอมก็คือพระชายาซึ่งก็คือสเสด็จแม่ของตัวเองน ะ, สะเสด็จแม่เข้าไปเยี่ยมสเสด็จพ่อต้องแอ บ, บเอาพระกายอาหารซ่อนไว้ในในสารี ในเครื่องแต่งตัวซ่อนไปซ่อนไปซ่อนไปวันหนึ่งก็มีคนมารายงานว่าเนี่ยเสด็จพ่อของเราเน่ยยังไม่สิ้นพระชนเลยนะกษระสับหนุ่มก็สั่งให้ตรวจสอบว่าทําไมไม่สิ้นพระชนสั่งให้ตรวจคนทุกคนที่เข้าไปวันหนึ่งก็คนพบว่าสเสด็จแม่ของแด็กนั้นซ่อนพระกยาหารไว้ข้างในงเลยสั่งห้ามว่าแม้แต่สเสด็จแม่ก็ห้ามนําของเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมสเสด็จพ่อสเดอสเด็จแม่ทํำยังไงเสด็จแม่ใช้วิธี ทำอาหารข้าวหวานแล้วเอาไลท์ทาตามนิ้วมือให้มีรสของน้ําตาลมีรสของน้ําอ้อยพอไปถึงผ่านการเอ็กซเรย์เข้าไปข้างในให้พระสวามีเลียกินรสชาติของอาหารตามนิ้วมือมีกลูโคโสมีน้ําตาลพระสวามีก็ทรงตัวอยู่ต่อมาหารเล็กก็มารายงานว่ายังไม่สิ้นพระชนมไม่ไเจ้ากับททำยังไงก็เลยสั่งเด็ดขานว่า ต่อไปแม้แต่เสด็จแม่ก็ห้ามเข้าเฝ้าเพราะทรงล่วงรู้มาว่าเสด็จแม่แอบซ่อนระกระยาหารไว้ตามมือตามร่างกายชั้นที่สุดนะเสด็จแม่ต้องซ่อนระกระยาหารไว้ในมวยผมแม้ปินปักผมพระราชกุมารก็บักห้ามปักเข้าไปเยี่ยมไม่มีช่องทางเลยที่พระชายาจะส่งพระกระยาหารให้พระสวามีได้ในที่สุดทรงตรอมพระไทยมากล้มป่วย เอ๊ะไม่มีใครส่งอาหารแต่ทำไมยังไม่สิ้นพระชนนะก็เลยสั่งมหารเล็กไปสอบสมดูปรากฏว่าพระราชบิยดาเสด็จทรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเดินจงกรมเดินจงกรมทุกวันทุกวันทุกวันเวลาทอดตามองออกจากคุกไปเนี่ยจะเห็นชายทีวรของพระผู้ดงซึ่งอยู่บนยอดเขาทิะกวดเปลวสวัยเป็นสีเหลืองทองอราพระราชนิดาได้เห็นชายทีวรก็มีกาลังใจเดินจงกรม ถ้าเจ้ากรมันรู้ว่าอ๋อตาแก่มันอยู่ได้เพราะเดินจงกรมใช่ไหมจัดการขั้นเด็ดขาดทำยังไงก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของอุดนจัาจับเสด็จพ่อมัดสองมือสองเท้าตรึงให้นั่นสั่งให้ก่อไฟด้วยถ่านเปลิงไม้ตะเคียนซึ่งแดงเพลิมงเป็นสีแดงจุดไปึบึพึ บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บแล้วก็บอกว่า ที่อยู่ได้เพราะเดินยังกลมใช่ไหมช่วยทําให้เดินไม่ได้หน่อยจับเสด็จพ่อมัดตรึงนะคุณยมนะช่างโกนผมเดินเข้ามาพร้อมกับมีดกนคมเบาครับเลยนะกรีดลงไปที่เท้าของเสด็จพ่อทีละแฉะทีละแฉะทีละแฉะทีละแฉ ะ, ล ะ, ฉะเลือดไหลเป็นลิ่มทะลักออกมาสดๆเลยนะจากนั้นเอาน้ำเกลือคุณยมน้ำเกลือเข้าทาที่พระบาทแล้วก็เอาถ่านเพลิงมาอังที่ฝ่าพระบาท สเสด็จพ่อตรวจแสบตรวจร้อนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเป็นลมสงบไปเดินไม่ได้ยังไม่สิ้นพิชชนนะลูกชายยังไม่หายประยศลูกชายยังคงครองราชต่อไปสเสด็จพ่อป่วยกระสอบกระแสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กําลังประชุมเสนาอนมาตยรเขาชบริพานมหาดเล็กวิ่งเข้ามากราบบังคมดุลถวายรายงานว่าขอเดชะใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทตกด้าวตกประหม มอ่อมฉันมีข่าวสองข่าวจะรายงานพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์สนพระไทยข่าวไหนก่อนพระพุทธเจ้าค่ะข่าวร้ายหรือข่าวดีมีทั้งสองข่าวพระพุทธเจ้าค่ะงั้นเอาข่าวดีก่อนพระมเหสีของพระองค์ทรงมีพระประสูติการเป็นพระอรสพระพุทธเจ้าค่ะอาชาติศตรูกุมารตอนนี้เป็นกระตันดีใจมากเลยโอ้นี่เราเป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมเนี่ยดีอกดีใจจนน้ําตาไหลคุณยอม พอรู้ว่าตัวเองมีลูกเป็นพ่อคนนะจึงคิดถึงพ่อตอนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะตอนที่พ่อมีลูกพ่อก็คงดีใจแบบนี้ใช่ไหมคิดถึงพ่อขึ้นมาในนาทีนั้นนะคนเริ่มนะก็เลยถามว่าและข่าวร้ายคืออะไรสะเสด็จพ่อของรองค์สิ้นพระชนแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพอได้ยินอย่างนี้หัวใจแตกกรายเลยเพิ่งมารู้พระคุณพ่อตอนที่ตัวเองมีลูก รู้ว่าพ่อรักตนแค่ไหนก็ต่อเมื่อตัวเองได้เป็นพ่อคนนาทีนั้นทรงเป็นลมลม้มปุ๊ลงไปแต่สำนึกได้เมื่อสายจะช่วยอะไรคนยอมหลังจากนั้นพระองค์แทบไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้ถึงขั้นนอนไม่หลับทุกคืนที่หลับพระเนตรลงนะก็มองเห็นแต่กรรมที่ตัวเองก่อไว้กับเสด็จพ่อจนในที่สุดผอมแห้งแรงน้อยแทบลดอาณาจัรตายอยู่ต่อมาไม่กี่วัน มาเล็กมาทูลสวัรสรายงานเสด็จแม่สิ้นพระชนแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทําไมลนะ่ะตรอมพระไทยพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์กลายเป็นกษัตริย์ที่พอรพีสมบูรณ์แบบข่าทั้งพ่อและก็ข่าทั้งแม่โดยอ้อมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าชา่างศตูไม่เคยมีความสุขบนราชบัลลังก์ทุกคืนก่อนหลับตาลงนอนนะเหมือนกับภาพ ธรรทัดวงจรปิดที่ได้ทํากรรมกับพ่อกับแม่เอาไว้มันกลับมาฉายซ้ำในที่สุดพระองค์เป็นโรค ป, ประสาทรับประทานเลยยานอนหลับก็ไม่มีหุกหนักหนาสหัดจนไม่สามารถออกวาราชการได้วันหนึ่งหมอชีวโกโกมาละพัทซึ่งเป็นหมอประจําพระองค์รู้เรื่องนี้จึงนําเอากษัตรย์หนุ่มผู้หลงผิดไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไปถึงจึงไปกราบขออภัยต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมพอสแสดงธรรมจบนะแทนที่จะบรรลุธรรม พระงได้อย่างดีที่สุดก็แค่ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอาจารย์กัตุูกุมานั้นถ้าไม่ฆ่าพ่อนะวันนี้มาฟังทธรรมของเราจะได้เป็นพระโสดาบันแต่เพราะโทษที่ฆ่าพ่อจึงทำได้อย่างดีที่สุดแค่เชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยเท่านั้นคุณยมเชื่อไหมผลของการพบคนผ่านคือพระเจ้ทัเป็นยังไง พระเทวทัตเองในระหวดังที่ยุให้เจ้าชายในปฏิวตัติเดชพ่อพระเทวทัตก็ร้ายใช่ด้วยนะส่งนายกำมังธ น, นูไปรอบยิงพระพุทธเจ้าไม่สําเร็จเพราะพอนายกำมังธ น, นูไปถึงกำลังเล็งพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆพระพุทธองค์เห็นก่อนพระพุทธองค์ก็ถามว่าจะทําอะไรจะปลงด้วยชนพระองค์เธอไม่ฆ่าฉันฉันตายไหมตายพระพุทธเจ้าค่ะงั้นกอดให้ฉันตายเองเถอนะนายกำมังธ น, นู ถูกพระพุทธเจ้าเทศบรนโนธรทิ้งธนูล้มเหลวพระเทวราชทำยังไงต่อไปไปที่โหรฉางสมภบกับควาน้างเอาเหล้าให้ช้างนาราคีรีนะเอาเหล้าให้ช้างดื่มช้างเมาเหล้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เ็จไปเบญท บ, บาทในเมืองฉางวิ่งสวนออกมาจะไปเหยียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ ออกมาขวางทางไว้พระพุ้ทรงบอกว่าอนอนท์เธอไม่ต้องอันนี้เป็นเรื่องของเรากับช้างเท่านั้นพระองค์ทรงแผ่เมตตาพอช้างเล่นมาถึงนะช้างเนี่ยเล่นออกจากโรงช้างด้วยความเร็วเหมือนลูกธนูหลุดออกจากแหล่งแต่พอมาพบกับกระแสแห่งเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับคนที่ร้อนจากเปลวแดดอันรุ่งอ้อาวมาพบกับน้ําอันเย็นชื่นใจจิตใจของช้างก็อ่อนโยนลงไปไม่สําเร็จ แผนสามพระเทวทัตให้คนอื่นทํามาแผนโน้นแผนนี้ไม่สำเร็จใช้แผนสุดท้ายขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏในเช้าจูวันหนึ่งขณะพระพุทธองค์เสด็จดําเนินลงมาจากยอดเขาคิชฌกูฏซึ่งอาตมาไปอินเดียทุก ป, ปีอาตมาก็ไปที่เขาคิชฌกูฏนะจะมีกุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นขณะที่พระพุทธองค์เสด็จดําเนินบินทบาทนั่นเองพระเทวทัตไปอยู่ยอดเขาเอีกโลกหนึ่งผลักก้อนเห็นก้อนใหญ่มาก พุ่งตรงลงมาหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผอิญว่าก้อนหินเหล่านั้นไม่ได้ทันพุ่งตกลงมาดังดี่ันใดนะไปชนก้อนนั้นชนก้อนนี้ในที่สุดแตกละเอียดยิบสะเก็ดหินมาต้องพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนห่อเลือดผลงานการสร้างสรรค์ของพระเทวทัตครั้งนี้นะเป็นที่รู้กันทั่วตมรดก่อนในที่สุดไม่มีประชาชนตัดบาดพระเทวทัตแทบจะอดตาย วาระสุดท้ายป่วยหนักหนาสหัสก่อนจะเสียชีวิตก่อนจะมรณภาพสำนึกได้ให้ลูกติดลูกหาหาไปขอบมาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไปถึงหน้าวัดเชตวันย่อนเท้าลงจากแคร่จู่ๆแผ่นดินสุดพระเทวทัต ถ, ถูกถล่มตกลงไปในแผ่นดินนั้นตายทั้งเป็นพระเจ้าชาติสตรูเป็นยังไงเพราะฟังคําพระเทวทัตจึงฆ่าทั้งพ่อและฆ่าทั้งแม่ ครองราชมาได้ยี่สิบกว่าปีวันหนึ่งหลานของพระองค์คือพรนัณดดาไม่ใช่หลานนะพระโอรสถ้าโอรสมาศึกษาประวัติเสด็จพ่อว่าได้บัลลังก์มายังไงคนเพราะว่าเสเด็จพ่อฆ่าเสเด็จตาโอรสเลยลุกขึ้นมาปฏิบัติฆ่าพระเจ้าอิจฉาศัตรูนะแล้วครองราชลูกขึ้นครองราชแทนพ่อต่อมาลูกของลูกคือหลานใช่ไหมก็มาศึกษาประวัติของเสเด็จพ่ออะ พ่อเราเนี่ฆ่าสเสด็จตานี่วนี่มันลูกอภรีนี่มันไม่ถูกนะเนี่ยก็เลยฆ่าพ่อตัวเองแล้วขึ้นของราชเอกไปไปมามาตระกูลเนี่ฆ่ากันมาห้าชั่วโคตรเป็นตระกูลปีตุฆาในทนี่สุดประชาชนและอัมมาศทนไม่ไหวลุกขึ้นมาทำปฏิวัติรัฐประหารล้มล้างราชวงศ์เนี้จนจบสิน้นไม่มีใครเหลือสักคนแล้วสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทน คุณยมเห็นไหมอาชารติตระงูลมารคนดีคนหนึ่งพบกับบาปะมิตรคือพระเจ้าปทัดหลงผิดฆ่าทั้งพ่อฆ่าทั้งแม่และในที่สุดราชวงศ์หนึ่งราชวงศ์ล่มสลายลงมาเพราะอะไรเพราะคนดีคนหนึ่งไปคบคนชั่วฉะนั้นเราทั้งหลายต้องระมัดระวังนะในชีวิตอย่าคิดผิดคบมิตรชั่วเป็นอันขาดอย่าว่าแต่คนนะแม้แต่ต้นไม้ถ้าคบมิตรชั่วนะ ต้นไม้ก็เสียต้นไม้คนก็เสียคนนะหมาก็เสียหมาต้นไม้ก็เสียต้นไม้นักการเมืองก็ครบนักการเมืองชั่วก็เสียเหมือนกันนะ่ะในอดีตมีนิลานาเาาารื่องหนึ่งท่าเล่าไว้ว่ามีพระมหากระสัพระลงดังมีต้นไม้วงที่โอชารสที่สุดทุกทุกปีถ้าถึงฤ ด, ด, ดูมางุ่งสุกโรคจะเสด็จมาปลิดสเสวยด้วยพระองค์เองรสชาติอร่อยที่สุดเลย ถ้ามะม่วงเนี่ยแตะปลายพระจิวหานะได้สำบัดรสมะม่วงแล้วเนี่ยทรงชาไปทั้งพระองค์เลยคิดดูว่าอะไรจะอร่อยขนาดนี้นะต่อมาวันหนึ่งคนสวนตัวดีกลับบ้านเก่าไปได้ต้นสะเดามาต้นนะหอมปี๋เลยแค่เดินผ่านก็รู้สึกหอมมาคิดดูสิขนาดนั้นนะเอาต้นสะเดามาปลูกใกล้ต้นมะม่วงห่างกันสักสาเมตร ปีต่อมาพระมหาการเสด็จมาปิดมะม่วงสุกเสวยทรงถมทิ้งทันทีเพราะขมสุดๆเลยจึงสั่งให้สำรวจวจสอบว่าทำไมมะม่วงหวานกลายเป็นมะ ม, ม่วงขมค้นไปในที่สุดก็ค้นลงไปถึงรากของต้นมะม่วงมานะเล็กให้คนขุดลงไปขุดลงไปในที่สุดได้ค้นพบสาเหตุแห่งการที่มะม่วงหวานมากลายเป็นมะม่วงขมเพราะอะไรเพราะรากของกระเดาไปกิ๊กกับรากมะม่วงเห็นไหม คนดีคบคนชั่วก็เสียคนนะสัตว์ดีๆไปคบสัตว์ชั่วๆก็เสียสัตว์นะักการเมือง ด, ดีไปคบนะักการเมืองชั่วๆก็เสียการเมืองแม้แต่ต้นมะม่วงหวานไปคบต้นสะเดาผมก็ยังเสียต้นมะม่วงฉะนั้นคบคนผิดอันตรายทั้งชีวิตเลยทีเดียวเราท่านทั้งหลายถ้ามีกัลยาณมิตรชีวิตของเรามีโชคแล้วใช่ไหมนี่วันนี้คุณยอมคุณยอมเม่ใช่ไหมคุณยอมช้างคุณยอมเกรส หาเอากลัลยาณมิตรมาฟังธรรมเพียบเลยเนี่ยแถวหน้าเนี่ดูอิ่ช่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยพากลัลยาณมิตรมายังไม่พอนะทาพนัก ง, งานทุกคนในบริษัท ด, ด้วยมาฟังธรรมคำถามของอาตมาก็คือถ้าผู้บริหารไม่เป็นกลัลยาณมิตรพวกเราจะมีสิทธิ์ได้ฟังธรรมแบบนี้ไหมในหูเราเนี่ยอาจจะเสียบหูฟังแล้วก็ฟังเพลงฮิบหอก็ได้ใช่ไหมอาจจะฟังละครนาเน่าก็ได้นะ อาจจ ะ, ปะเป็นงลูกทุ่งอยู่ก็ได้นะแต่เพราะมีผู้บริหารที่เป็นกัลยาณมิตรเราจรึงมีโอกาสได้สนิทกับธรรมะโชคดีขนาดไหนที่เรามีกัลยาณมิตรขนาดนี้คนจํานวนมากในโลกนี้นะรู้ว่าโลกนี้มีพระมีธรรมะอยู่แต่ไม่มีคนชักชวนถึงรู้ว่าธรรมะและพระดีแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมแต่เราทั้งหลายเพราะมีกัลยาณมิตรจึงมีสิทธิ์มานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้ คุณยอมฟังเพลงร้อยเพลงนะก็ไม่เท่ากับฟังธรรมครั้งหนึ่งเพราะฟังเพลงสักร้อยเพลงอย่างดีที่สุดก็ทําให้คุณยอมสนุกแล้วก็เลืมไปแต่ถ้าคุณยอมฟังธรรมสักครั้งหนึ่งบางทีครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตในโลกนี้มีคนที่ได้ฟังธรรมด้วยประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตมามากแล้วนะคุณยูมนะเพราะธรรมะนั้นมันมีเนื้อหาสาระชี้ทิศนํำทางให้กระตัอาดามายเคยเจอคุณยอมคนหนึ่ง ซึ่งบัตรนี้เป็นนักธุรกิจหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะแล้วผ่านมาหลายปีแต่ามาก็คิดว่าอาจจะขึ้นมาเป็นพันล้านแล้วก็ได้ปี40นักธุรกิจคนนี้ล้มเหลวสิ้นเนื้อประดาตัวถึงขั้นเปลี่ยนชื่อใหม่หนีเจ้านี้ไปอยู่เมืองนอกเหงาสุดๆกลับก็มาอยู่ในเมืองไทยวันหนึ่งเพอขึ้นมาว่าจะค่าตัวตายลูกเมียไม่ได้หลับไม่ได้นอนนเะพราะต้องอยู่ยามเฝ้าเลยคือต้องเข้ามาเฝ้าพ่อแลยกลัวพ่อผูกคอตายเขายอม วันหนึ่งเรื่องนี้รู้ไปถึงเพื่อนเพื่อนก็เลยมาเยี่ยมกินข้าวด้วยกันมาเจอเพื่อนเก่าในสภาพผมเผาแม่ตัดเขาโครงหน้าตาไม่มีสง่าราศีของนักธุรกิจร้อยล้านเลยเพื่อนก็เลยถามว่าฉันเ้่าข่าวว่าแกจะฆาดตัวตายใช่ไหมใช่ในโลกนี้อะไรน่ากลัวที่สุดความตายความตายน่ากลัวที่สุดแล้วแกไม่กลัวตายเหรอฉันไม่กลัวตายเพื่อน ฉันว่านะขนาดความตายเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแกยังไม่กลัวและแกจะกลัวทำไมการเงินหายไปแค่ร้อยล้านเนี่ยคุณยอมเชื่อไหมเพื่อนพูดเสร็จก็ลากลับบ้านวันรุ่งขึ้นผู้ชายคนนี้ไปตัดผมลุกขึ้นมาปฏิวัติชีวิตใหม่เดินตรงไปที่ธนาคารขอทำเรื่องประนอมนี้และนำบริษัทเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ที่ธนาคารและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งหลายมาวางระบบให้ เขาไม่หนีอีกต่อไปในที่สุดทุกวันนี้กลับมาตั้งตัวได้ห้าตรมาเอ่ยชื่อมาทุกคนอ๋อกันหมดเลยเพราะเป็นนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งของเมืองไทยเพราะตายเพราะอะไรคุณยอมกัลยาณมิตรเพราะคำคำเดียวตายยังไม่กลัวแล้ว็จะมากลัวทาไมการเงินหายไปแค่นี้ประโยะคนยี้คุณยอมเปลี่ยนชีวิตฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ามีกัลยาณมิตร เรามีชีวิตที่มีโชคเหลือเกินแล้วข้อสี่สิ่งที่สูงกว่าเงินก็คือการมีความสุดจริีเป็นในใยถ้าเรามีความสุจริิตทางกายทางวาจาและทางใจอยู่ที่ไหนเราจะร้อนรนหนาวหนาวไหมไม่เป็นนะแต่ถ้าคุณยมมีความสุดจฉลี่ทางกายทางวาจาทางใจนะเช่นคุณยมคอร์รัปชันบริษัทที่นี่สักยี่สิบล้านอย่างเงี้ยคุณยอมจะนอนสะดุ้งไหมกลัวเขาจับได้นะ เงินที่หามาโดยไม่สุจริตเป็นเงินร้อนนะคุณยอมนะมันทาให้เรามีกินทาให้เรามีใช้แต่วันไหนที่เขาจับได้คุณยอมรู้ไหมความสุขที่เราได้รับมันก็คือความฝันเพราะหลังจากนั้นมันจะคือความทุกข์อันแสนยาวนานอันตมาเคยไปเทศนะในคุกไปเจอนักโทษหญิงคนหนึ่งแต่ทําไมต้องไปอยู่ในคุกคุณยอมเพราะว่าเธอคนนี้เป็นแรงงานงเจ้านาย ไปทำงานกับเจ้านายซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแล้วทำไปทำมาเธอก็ซิกซักโอนเงินของเจ้านายเข้าบัญชีของตัวเองซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ทำอย่างนั้น5าปีเจ้านายไม่รู้แต่ในโลกนี้มันไม่มีความลับใช่ไหมต่อมาเจ้านายและแค่ราคายและสั่งตรวจสอบย้อนหลังพบเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เลขาเองถลุงทาไมเธอทาได้เนียนมาก พอเธอแท่งนำแฟนของเธอมาให้เจ้านายรู้จักแล้วก็บอกว่าเงินทั้งหมดมาจากแฟนของเธอเองแต่แต่ที่จริงแฟนของเธอไม่ใช่คนโดยตัวจริงเงินทั้งหมดช่อฉนมาจากเจ้านายพอเจ้านายไปตรวดพบเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้เคยใช้เงินของเจ้านายอย่างมีความสุขอยู่กว่าห้าปีแต่พอเจ้านายรู้และถูกตำรวจจับขังคุกไปนอนในคุกนอนในคุกหญิงนะคุณผูนะห้องหนึ่งห้องนอนกันร้อยี่สิบคน ไม่เคยนอนเต็มแผ่นหลังเธอเล่าให้ฟังว่าบางวันถ้าหนูลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาหนูต้องยืนนอนเคยยืนนอนไหมคือยืนแล้วก็หลับคุณยอมทั้งคืนน่ะประเทศไทยกว้างกี่แสนตารางกิโลเมตรไม่มีที่แม้แต่จะรองรับแผ่นหลังของผู้หญิงคนหนึ่งนั่นแหละนรกบนดินฉะนั้นใครก็ตามที่ทุจริต ชีวิตนี้ไม่มีความสุขความสุขซึ่งเกิดจากเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบนั้นมันเป็นความทุกข์ที่รอเวลาอยู่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะไรนะฉะนั้นถ้าเรามีความสุดจริตเป็นนิสัยเราไม่ต้องนอนสะดุง้งทำมาหาได้จะมากจะน้อยมันก็เป็นเงินบริสุทธิ์ของเราใช่ไหมมีความสุขก็เป็นความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขที่รอเวลาจะทุกข์อีกต่อไปฉะนั้นถ้าเรามีความสุจริตเป็นนิสัย ถ้าวันนี้ถูกพรุ่งนี้ก็ไม่ผิดถ้าวันนี้สะอาดพรุ่งนี้ก็ไม่สกรปรกถ้าวันนี้เราสุดจริตพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องไปนอนอยู่ในนรกบนดินฉะนั้นใครก็ตามมีความสุ ด, สดจริตเป็นพื้นเป็นเนื้อใสเท่ากับว่าคุณยมมีโชคดีในชีวิตแล้วสิ่งนี้สูงกว่าเงินเพราะอะไรถึงคุณยมจะมีเงินแต่ไม่ใช่เงินสุดจริตเงินนั้นจะแผดเผาเราในภายหลัง แต่ถ้าเราไม่มีเงินแต่เราดำรงชีวิตอย่างสุจริตรวยช้าหน่อยแต่นอนหลับฝันดีทุกคืนเลือกเอาว่าจะเอาอยัางไงนะจากการที่ห้าการมีใจปราศจากความรึษยามนุษย์ทุกคนนี่บางนีเงินก็มีแล้วบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วแฟนก็มีแล้วชื่อเสียงก็มีแล้วแต่ทำไมไม่มีความสุขเพราะแอบริษยาคนอื่น เวลาที่เราลิศยาใครสักคนหนึ่งรตราไปก็ตามที่คนซึ่งเราลิศยานะยังไม่แตะดับรับขันไปเราจะมีความสุขไหมไม่สุขนะอันตรายเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งก็เป็นนักข่าวเขาลิศยาเพื่อนเพื่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโต๊ะข่าวต่างประเทศทํางานมาด้วยกันเธอได้ทํางานเป็นแค่หัวหน้าโต๊ะข่าวในไประเทศไทยจริงๆตําแหน่งมันเท่ากันนะแต่คนหนึ่งมันดูอินเตอร์กว่าเพราะว่าดูแลต่างประเทศใช่ไหม เธอบอกว่าดิสหยามากักมากเลยขนาดว่าเวลาไปเขห้องน้ำกลับมานะแอบย้ายรองเท้าเพื่อนนะคือเพื่อนเอารองเท้าวางข้างบนเธอเอารองเทา้าเพื่อนลงวางข้างล่างเลยนะคิดดูสิเพื่อนทํางานเปิดคอมทิ้งไว้แล้วไปทานข้าวเธอแอบไปปิดคอมมันเลยเวลาถึงถึงหน้าเทศกาลของขวัญปีใหม่นะลูกค้าส่งของขวัญมาให้เพื่อนถ้าเธอเจอก่อนนะเธอจิกเลย ทำทุกอย่างที่จะให้เพื่อนไม่มีความสุขเคราะอริสยาเธอเล่าว่าวันหนึ่งกําลังนั่งทำงานอยู่นะเห็นเพื่อนโทรศัพท์คุยไปหัวเราะไปเห็นหลังใบ ว, ไวัยยิงมุนน่นนนเธอบอกว่าวันนั้นขั้นเหนือขั้นตัวเหมืนจะเป็นใกล้เลยไม่มีความสุขเลยได้ยินเสียงเพื่อนหัวเราะต่อกระซิกนะเพื่อนหัวเราะต่อกระซิกแต่เธอกลับทุกข์ทบล้มบรญญาตายเพราะอะไรเธอบอกว่าเพื่อนหัวเราะดังเท่าไหร่หนูก็ทุกข์มากเท่านั้น จนรู้สึกผิดปกติแล้วก็เครียดวันหนึ่งมาทําบุนถวายสังฆท า, ทานก็เล่าให้ตามาฟังว่าหนูไม่เคยมีความสุขในชีวิตการทํางานอตาตมาถามว่าเงินเดือนสูงไหมเกือบแสนเจ้าค่ะมีครอบครัวไหมมีเจ้าค่ะมีบ้านอยู่ไหมมีเจ้าค่ะมีรถไหมมีเจ้าค่ะแล้วอะไรที่ยมยังไม่มีความสุขทําไมไม่สุขพระอาจารย์เจ้าคะ หนูคิดว่ามีสาเหตุเดียวอะไรเจ้ากรรมในเวรเจ้าค่ะใครคือเจ้ากรรมในเวรหนูโยมเพื่อนร่วมงานหนูค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนโต๊ะตรงกันห้ามอาตมาก็เลยบอกว่าโยมโยมลองทําเป็นมองไม่เห็นเพื่อนคนนั้นได้ไหมรู้ไหมโยมให้ความสําคัญกับเขามากขนาดไหนโยมจะทุกข์มากขนาดนั้น พรุ่งนี้ไปทำงานลองทำเป็นไม่เห็นหัวเพื่อนคนนั้นดูสิเธอทำตามนะไม่ฟังเสียงเขาไม่สนใจไม่มองทำเหมือนกับเพื่อนคนนั้นไม่มีตัวตน ว, วันแรกที่ทดลองเธอบอกว่าเข็มไม้หัวใจสงบมากเลยไม่กระดิกเลยนี่แหละอาดามาจึงบอกว่าถ้าคุณยอมอยากมีความสุขอย่าให้ความสำคัญกับเพื่อนที่คุณยอมไม่ชอบหน้า เพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเราให้ความสําคัญกับเขาเขาจะทําให้เรากระเพื่มได้มากเท่านั้นมนุษย์เนี่ยจะไม่มีความทุกข์หรอกนะจากการมองต่อไปฟ้าใช่ไหมเพราะต่อไปฟ้ามันไม่ได้เจงอาการอะไรต่อเราใช่ไหมแต่ที่เราทุกข์ก็เราไปมองคนให้ความสําคัญกับคนเราให้ความสําคัญกับคนไหนมากที่สุดคนนั้นทําให้เราทุกข์ได้มากที่สุดและสุขได้มากที่สุด ฉะนั้นตมาก็เลยบอกยอมคนนั้นแต่ว่าก็ในเมื่อยอมให้ความสําคัญกับเขาและวยมทุกขนาดเนี้ยทําไมไม่เลิกสิเธอลองปฏิบัติตามปรากฏไม่ได้ผลเป็นอันมากกลับมาเนี่ยทํา ง, งานอย่างมีความสุขทีแรกอาตมาได้ฟังนะเธอมาบอกว่าคิดจะขอย้ายออกจากบริษัทนั้นได้สำไปเพราะอยู่ๆกันไปเห็นเพื่อนก้าวหน้าแล้วเธอรู้สึกนอนไม่หลับเหยียบย่ําตัวเองทั้งนั้นในตำแหน่งนะเท่ากันนะ ที่อิจฉาที่สยามมากที่สุดเพราะอะไรตำแหน่งเท่ากันแต่เพื่อนได้ดูฝ่ายต่างประเทศไม่ไปเมืองนอกบ่อยเนี่อิจฉากันเนี้ยแต่มันทําให้เธอทุกทุกวันนะคุณผู้มฉะนั้นคนที่คอยที่สยามคนอื่นนะเปรี่ยนให้เห็นว่าเหมือนกับคนที่ก่อไฟไว้ในใจตัวเองคนที่ก่อไฟไว้ในใจเลยนะเวลาอ้าปากคุณผูมจะเห็นเปลวไฟแลบออกจากปาก เวลานั่งทำงา น, น, นเมื่อเผคยคนยอมจะเห็นควันแลกออกจากหูและบางทีผิวพันจะเกลี่ยมไม่เพราะอะไรมันไม่มาจากข้างในอ่ะฉะนั้นฤิษยสเขาคือจุดไปเผาตัวเองนะทำแล้วไม่มีความสุขจะทำไปทำไมฉะนั้นถ้าเรากำลังฤิ์เสีใครสักคนหนึ่งเลิกซะนะไม่มีประโยชน์เลยเรามีชีวิตอยู่ในโลกกันคนละไม่กี่ปีแบ่งไปริษยาคนอื่นซนะ แล้วจะมีเวลาใช้ชีวิตจริงๆสักกี่ปีฉะนั้นเลิกเลยนะใครก็ตามที่ริษยาคนอื่นนะคนนั้นจะไม่มีความสุขอย่างอาตมาในในชีวิตอาตมาไม่ได้ริษยาใครเลยเนี่ยในชีวิตนะอะอาตมาตั้งใจทํา ง, งานของอาตมาอย่างเดียวตั้งใจเขียนหนังสือตั้งใจบรรยายธรรมไม่เคยคิดเลยว่าจะไปแข่งกับใครหรือใครจะแข่งกับอาตมาไม่สนใจเลยนะตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างเดียวเลยเปรียบเสมือนเป็นปลาทึบ ก, ก็สองเป็นน้ําก็ไหลเป็นจําก็สองแสงเป็นดอกไม้กระปริบาน อตาตมทาทำแค่นี้ยไม่เคยเปรียบเทียบใครไม่คิดจะแข่งใครไม่ริษยาใครผลที่ได้คือพอเสร็จงานปุ๊บกลับไปที่วัดอตาตมาหลับสนิททุกคืนแต่ถ้าอตาตมาที่ริษยาคนนั้นแล้วคนนั้นมันขึ้นหัวหัวหัวอาตมาหลับได้ไหมหลับไม่ได้ในในเลยแนเลยอ่ะไม่มีความสุขแต่ทุกวันนี้อาตมาพูดได้ว่าชีวิตอาตมามีความสุขมากเห็นไหมพอเราไม่ริษยาใครในตัวเราแทนที่จะมีกองไปกองหนึ่งมันมีอะไรแทน มันมีทานน้ำผู้ทานน้ำผู้ในใจของเราเนี่ยมันส่งความสดชื่นออกมาเราก็เลยสดชื่นเบิกบานเห็นไหมเนี่ยเราก็เลยดูอ่อนกว่าวัยมาจนถึงวันนี้จริงๆแกแล้วนะแต่พวกเราไม่ได้สยามครไงมันจึิงไม่ไ ม, ไม่ไม่เครียมเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครอยากอ่อนกว่าไวนะ้น่ะเลิกเลสสยาเลยแล้วใจของเราจะผ่องใสช่ำชื่นเบิกบาน นั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็มีแต่ความสุขเลิกก่อไฟเผาตัวเองได้แล้วนะหันมาขุดลงไปเพื่อให้ทานน้าพุในผืนแผ่นดินใจมันผุุกพลายขึ้นมามองไปทางไหนก็มีแต่เมตตาให้คนทั้งโลกเห็นคนที่สูงกว่าเราได้ดีก็โมทนาเห็นคนเสมอกว่าเราได้ดีก็ให้กำลังใจเห็นคนรุ่นหลังกว่าเรากำลังเราวแรงแสงสายจะมีความรู้ความสามารถขึ้นมันก็ให้โอกาส ไม่ไดิสหยาคนสูงกว่าเม่จงเกลียดจงชังคนเสมอกันไม่ปิดกั้นคนที่ต่ํากว่าจิตใจมีแต่โมทนาสาธุสุขไหมสุขแน่นอนใครทําได้คนคนนั้นก็มีสิ่งที่สูงกว่าเป็นประการที่ห้าต่อไปประการที่หกการมีเวลาให้กับบุคคลอันเป็นที่รักทุกคนอยู่ในที่นี้มีบุคคลอันเป็นที่รักไหมมีบุคคลอันเป็นที่ชงังไหม สำหรับบุคคลอันเป็นที่รักเราต้องมีเวลาให้เขาแต่บุคคลอั น, นเป็นที่ชังอย่าไปให้เวลาเขานะบางคนทำผิดนะไม่ค่อยให้เวลาพ่อไม่ค่อยให้เวลาแม่ไม่ค่อยให้เวลาครอบครัวไม่ค่อยให้เวลาลูกแต่ให้เวลาศัตรูมากเป็นพิเศษ น, นะเ <s> ชื่อไหมว่ามนุษย์บางคนให้เวลากับคนอันเป็นที่ชังมากเป็นพิเศษสนใจทุกปีก้าวของเขา รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่ตัวเองชังมนุษย์ท่นนี้ก็มีนะมีเยอะด้วยนะใส่ใจแต่ปมด้วยของคนที่ตัวเองชังแลวเก็บมาเล่าเก็บมาในทาอาดมาเคยเคยเป็นพระอยู่ในหลายวัดมีพระวัดหนึ่งแกชอบมาคุยกับตามาหลังเวลาปิดท่าบักแล้วแกจะรู้หมดเลยว่าในวัดอั้นใครเลวตรงไหนนะ แก ร, รู้ทุกอย่างเลยใครตื่นสายใครบินลำบากได้น้อยใครถูกวพ่อจเจ้าอาวาก ไ, ไปดุใครไม่ได้รับขิดในมนใครถูกยยมบอยกอดพระท่านจะรู้ทุกอย่างแล้วกลับมาเล่าให้อตมาฟังอตมาเลยถามว่าขอโทษนะครับในวัดนี้มีพระดีๆบ้างไหมเนี่ยคือพระรูปไหนที่เป็นคนเก่งคนดีท่านไม่สนใจอ่ะ ถ้ารูปไหนทําผิดทำพลาดท่านรู้ทั้งหมดอาตมาก็เลยเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังซึ่งเป็นเรื่องของท่านพุทธทาสิกุมีพระฝรั่งรูปหนึ่งไปอยู่กับท่านพุทธทาสชอบจับผิดตาม น, นิสัยฝรั่งนะจับผิดพระไทยกราบไม่สวยบ้างนอนตื่นสายบ้างขี้เกียจดั้งไปเล่าให้ท่านพุทธทาสฟังว่าทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งท่านพุทธทาสก็เลยคุยกับพระฝรั่งรูปนี้ว่า คุณนี่ก็แปลกเนาะอยู่ดีๆไม่ชอบชอบกินของเั่าพรังยังไม่รู้นะหลวงพ่อครับของเน่าในกวาหมายของหลวงพ่อคืออะไรครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าในวัด น, นี้นะมีทั้งพระที่ดีและพระที่ไม่ดีแต่ฉันเชื่อว่าพระที่ดีย่อมมีมากกว่าแต่ทำไมเธอมองไม่เห็นพระเหล่านั้นทำไมเธอจึงมองเห็นแต่ความไม่ดี รู้ไหมการที่เธอเห็นแต่น้านที่ไม่ดีคนอื่นจิตใจเธอเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ครับร้อนหรือเย็น้อนครับนี่แหละเธอกำลังกินของเน่าก็เรื่องเน่าๆคนอื่นเธอไปรู้มันเสียทุกอย่างเธอก็เลยกินของเน่าตั้งแต่นั้นมาพระรูปนี้สะเทือนใจมากเลิกกินของเน่าเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปให้เวลากับคนที่ชังเลยนะ ยิ่งเราสนใจคนที่เราจังมากมากจิตใจของเราจะเต็มไปได้วยความทุกข์เขาเลวยังไงเขาชั่วยังไงเรารู้ทั้งหมดเราไปเสียเวลากับคนพันนี้เท่ากับว่าเรากําลังกินของเน่าอยู่ฉะนั้นใครชอบกินของเน่าชอบจับผิดคนอื่นชอบมองหาข้อเสียงคนอื่นแล้วเสียเวลาไปกับเรื่องเสียหายคนอื่นอย่างนี้ยมากมายมหาศาลเนี่ยคนคนนั้นกําลังชอบกินของเน่าเป็นอาหารซึ่งคนไในจำเป็นมากชอบนะ อาตมาเคยถามลูกศิษย์หลายคนวันนี้อ่านหนังสือพิไมไหมอ่านอ่านหน้าไหนก่อนหน้าบันเทิงดูว่าดาราคนไหนจะสลัดรักกระขายเนี่ยชอบกินของเน่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเล่ากันมันปากทับเลยนะเห็นไหมไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้เวลากับคนที่ท่างเอาเวลาที่เมษายนจะสั้นในชีวิตนี้มาให้เวลากับคนอันเป็นที่รักอาตมาแม้อาตมาจะเป็นพระ อตาตมากลับเชียงรายทุกเดือนทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอตาตมาถึงปฏิบัติมาหลายปีแล้วอาตมากลับไปหายมพ่อยมพ่ออาตมาอายุ79แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วลงว่ายน้ําที่อ่าเก็บนะ้ําหน้ากุฏิของอาตมาโยมพ่ออายุ79้วคุณโยมนะยมพ่อลงอ่างน้ำอตาตมาก็กลัวยมพ่อเป็นตะเครยนอตาตมาก็ลงเป็นเพื่อนนะ นี่ไม่อยากไหว้เลยนะไปเป็นเพื่อนพ่อนะอาตมาก็เลยแปมแปมแปมแปมปแปมเพราะไหว้น้ำไม่เป็นนะคุณยอมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพ่ออาตมาอายุเจ็ดสิบก้ลุกขึ้นมาสอนพระลูกชายสาบเปหมอไหว้แล้วแล้วพ่อก็สาบคิดให้ดูว่าเนี่ยอย่าไหว้เร็วนะไหว้เร็วมันเหนื่อยต้องไหว้ช้าๆแล้วพ่อก็ไหว้ไหว้ให้ดูโอ้ตะเมอึ้งเลยนะไม่แน่เชื่อว่ายมพ่อซึ่ง ซึ่งห่างน้ำมาเป็นสามสิบสี่สิบปีอ่ะแต่เพราะอยากจะสอนลูกชายพ่อยังเป็นนักไหว้มืองวังดังคุณยังรู้ไหมเวลายมพ่ออยู่กับสมมาทานข้าวได้เยอะเป็นพิเศษมีครั้งหนึ่งสมมภาพพายมพ่อไปทานข้าวที่พัทยาสองคือริมน้ำตกนนที่จังหวัดเชียรายริมน้ำตกแห่งหนึ่งจะมีวิวทิวัที่สวยมากจาวเชียงรายเรียกพัทยาสองพายมพ่อไปทานส้มต่าอร่อยมาก วันนั้นยมพ่อทานบอดไกสามจานคิดดูสิปกติยมพ่ออยู่กับยมที่ทานอะไรไม่ค่อยได้นะเจ็บอ่อนๆแอดๆป่วยนั่นป่วยนี่พอมาเจอตามาพ่อปะบอกว่าปะนี่เขาไปเลยยังไม่รู้ว่าไปไหนนะแต่รู้ว่าถ้าไปกับตามาคือ ไ, ได้ไปเที่ยวเห็นไหมคุณยมพราะก็มีชีวิตชีวามากเวลาอยู่กับตามาทานเข้าได้เยอะแล้วมีความสุขมากตามากับยมพ่อเคยเดินไปเที่ยวน้ําตกนะ 3ามกิโลเมตรสองคนพ่อลูกเดินด้วยกันสบายๆที่สามสี่คนเดินตามหลังข อ, อพักกลางทางทุกคนทำไมพ่อทำได้เพราะว่าเวลาได้อยู่กับพระลูกชายแล้วท่านมีกำลังใจอาตมาเป็นพระงานเยอะมากนะทุกวันนี้นะคนโทรศัพท์มา น, น, นี่บนน่จากทุกคนต้องแห่งเลยแต่อาตมา ก, ก็จะแบ่งเวลาไว้เสมอว่าอาทิตย์สุดท้ายขอให้พ่อขอให้อาตมาได้อยู่กับพ่อเพราะเวลานอกจากนั้นอาตมาให้คนทั้งโลก แต่อาตมานจะไม่รู้สึกว่าตัง ป, ประสบความสําเร็จเลยถ้าตมาไม่ได้มีเวลาให้พ่อฉะนั้นเราทั้งหลายที่มีเวลาให้งานวันหนึ่งไม่ต่ํากว่าแปดชั่วโมงมีเวลาให้เพื่อนมีเวลาท่องอินเทอร์เน็ตมีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์มีเวลาโทรศัพท์แล้วคุณยมเคยมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รักไหม เคยนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเคยซื้อของให้กับคุณพ่อคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเคยพาลูกไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเคยไปกินข้าวสองคนสามีในวันครอบรอบแต่งงานเมื่อไหรเหล่าเนี้ยเคยทํำไหมกับบุคคลอันเป็นที่รักเราต้องให้เวลาไม่มีประโยชน์จะไปให้เวลาตอนที่บุคคลอันเป็นที่รักลงรักดับขันไปแล้วนะ วันนี้จะมาชอบได้รับหนังสืองานจบเล่มหนึง่งลูกๆเขียนถึงคุณพ่อซะหยดย้อยเลยนะเอาต่มาอ่านแล้วเนี่ยแต่มาก็รู้สึกหูเนี่ยถ้าคนที่ตายไปแล้วได้อ่านนะว่าคนที่ยังอยู่เขียนถึงขนาดนี้นะ่าสงสัยไม่ตายแล้วนะคือเขียนดีมากนะคุณยมนะลูกบางคนตอนพ่อยังอยู่ไม่ปรากฏว่าแต่งกรอนเป็นทีนี้พอพ่อล่วงับดับขันไปแล้วลูกคนนี้แต่งกรอนให้พ่อคุณยอม ทำได้ยังไงถ้าลูกรู้ว่าลูกคนนี้มีความสามารถนะตามปกติเป็นคนกระดกกระเดกแข็งแข็งห้าวห้าคนๆเนป่น เ, นเนนะ้อนะโ้ด้วยนะที่ลืมดนะ้วยแต่พอพ่อสิ้นใจไปลูกชายคนนี้องค์กวีลงประทับนะเขียนกลอนให้พ่อแล้วพิมพ์หนังสือที่เลือก ง, งานจบงามหยดย้อยเลยอันตาเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมตอนที่พ่อยังอยู่ ลูกๆหลานๆไม่พิมพ์หนังสือดีๆในงานทำบุญวันเกิดให้กับพ่อละ่ะมาพิมพ์ตอนงานศพพ่อไม่ได้อ่านแล้วเสีย์ได้ไหมนีม่น่าเสียดายมากเลยนะคุณโยมนะวันนี้อาตมาก็เลยรู้ขึ้นมาเลยว่าเออ๋ยวปีหน้าอาตมาจะทำหนังสือของอาตมากับพ่อแล้วนะให้พ่อเนี่ยได้รู้ได้เห็นว่าตอนที่พ่อยังอยู่พวกลูกๆมีความสุขกันแค่ไหนที่เราได้ใช้เวลาที่ เป็นมงยามที่แสนงดงามร่วมกันทั้งครอบครัวตอนนี้ธรรมท้าก็ให้ทุกศิษย์อาตมาน้องเริงถ่ายวีดีโอเก็บไว้เยอะเลยนะถ่ายทั้งยมพ่อถ่ายทั้งหมาตัวโกรธของยมพ่อถ่ายทั้งอตาตมาทั้งคนทั้งหมาอยู่ในวีดีโอเหมือนเดียวกันพ้าวันเวลาความสุขอย่างนี้เนี่ยถ้ามันผ่านเลยไปแล้วมันาหาไม่ได้ใช่ไหมตอนที่ยมแม่ยังอยู่นะอาตมาเคยคิดว่าอยากจะบันทึกเสียงยมแม่อาตมาไว้เพราะยมแม่ชอบร้องเพลงอะนะ ยังแม่ชอบเล่าความหลังมากแล้วก็ชอบร้องเพลงเก่าๆสมัยจอมคุณปอนะอาตรมาคิดเออฉันน่าจะบันทึกเสียงแม่ไว้นะแต่ว่ามันยังไม่เข้าสู่ยุคดิจิตัลเลคุณยมยังไม่มีกล้องวิดีโอไม่มีกล้องบันทึกเสียงอะไรย่มแม่ก็มันที่เสียก่อนทุกวันนี้ก็ยังมานึกเสฉะได้นะว่าแหมถ้าฉันได้บันทึกเสียงแม่เอาไว้นะตอนนี้คิดถึงแม่ก็เปิดดูโอ้โหแม่คงจะ ทำอะไรดีๆให้เราเนี่ยได้ดูแล้วก็ย้อนกลับไประ ล, ลึกถึงความทรงจําแสนงามแต่ไม่ทันอัตมาทันเก็บวัจะดีที่สุดก็รูปแม่ไม่เกี่อัล บ, บั้มแล้วก็พระถุงของยอมแม่ไม่กี่เหรที่เราซื้อให้เป็นสิ่งของแทนใจอยอมแม่พอมาถึงยอมพ่อยอมพ่อยางอยู่นี้ตอนนี้อัตมาทําเลยนะเนี่ยเดือนหน้านี้ก็ตั้งใจจะพายอมพ่อไปต่างประเทศยังเดินได้สุขภาพยังดีอัตมาก็ตั้งใจว่าจะพายอมพ่อเดินทางไปต่างประเทศ ให้ท่านไปอยู่ทั้งกลางลกูกทั้งกลางหลานในบ้านฝ่ายขอให้ท่านได้มีความสุขถึงแม้งานจะมาจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม